ข้อความในปาสราสีสูตรมัชมินิกามูลปันนาสเนี่ยนะก็คงไม่ลืมประเด็นว่าพระพุทธเจ้าตรัสถึงการสแสวงหาอย่างไม่ประเสริฐกับการสแสวงหาสิ่งที่ประเสริฐนะแสวงหาไม่ประเสริฐก็คือสแสวงหาความเกิดความแก่ความเจ็บความตาย ก็คือหมายถึงว่าตัวเองเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายตัวเองเศร้าโศกแล้วก็เศร้าหมองอยู่แล้วก็ยังเที่ยวสะแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเที่ยวแสวงหาสิ่งที่มีความเศร้าโศกเที่ยวแสวงหาสิ่งที่มีความเศร้าหมองการแสวงหาแบบนี้แหละเรียกว่าการแสวงหาสิ่งที่ไม่ประเสริฐเพราะว่าเป็นการแสวงหาพบแสวงหาวัตตะสงสาร ส่วนการแสวงหาที่ประเสริฐก็คือตัวเองเป็นผู้ที่มีความเกิดแก่เจ็บตายมีความเศร้าโศกมีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาก็แสวงหาพระนิพพานเป็นธรรมที่ดับความเกิดพระนิพพานเป็นธรรมที่ดับความแก่ดับความเจ็บดับความตายพระนิพพานเป็นธรรมที่ดับโศกพระนิพพานเป็นธรรมที่ดับความเศร้าหมองทั้งปวงการแสวงหาอย่างนั้นเป็นการแสวงหาที่ประเสริฐซึ่งพระองค์ก็ตรัสเล่าว่าพระองค์นั้นเมื่อก่อนก็เคยแสวงหาสิ่งที่ไม่ เพราะตัวเองก็เกิดแก่เจ็บตายาาเศร้าโศกเจ้าหมองเป็นธรรมดาอยู่แล้วก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดแก่เจ็บตายแสวงหาสิ่งที่มีความเศร้าโศกและก็เศร้าหมองแต่ตอนหลังพระองค์ก็รู้ว่าการที่ตัวเองมีความเกิดแก่เจ็บตายแล้วแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดแก่เจ็บตายตัวเองมีความเศร้าโศกยังเที่ยวแสวงหาความเศร้าโศกเป็นต้นและจะพ้นจากทุกข์ได้อย่างไรก็มารู้ชัดโทษของ สิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดารู้ชัดโทษสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดารู้ชัดซึ่งโทษสิ่งที่มีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาและสิ่งที่มีความเศร้าโศกและเศร้าหมองเป็นธรรมดาผัสควรที่จะแสวงหาพระนิพพานเป็นธรรมที่ดับความเกิดดับความแก่ดับความเจ็บดับความป่วยดับความตายดับความเศร้าโศกแล้วก็ดับความเศร้าหมองแล้วพระองค์ก็ ออกบวชเนี่ยนะเหตุผลที่ออกบวชเพราะสแสวงหาธรรมที่ดับความเกิดความแก่ความเจ็บความป่วยความตายสแสวงหาธรรมที่ดับความโศกซึ่งเป็นเชื้อของพระนิพพานนั้นสมัยนั้นเขาเชื่อว่าใครเป็นผู้รู้ธรรมที่สงบละเอียดประณีตพอจะดับความเกิดแก่เจ็บตายได้บ้างก็เชื่อว่าอาลาลดาบทกาลามโคตเนี่ยถือว่าเป็นคณาจารย์ผู้มีชื่อเสียงยิ่งใหญ่ตรัสรูธรรมเป็นที่ดับโศก พระ อ, องค์ก็เข้าไปศึกษาด้วยนะพอไปถึงก็รับทีของอาราะดาบทพออาราะดาบทพูดจบพระโพธิสัตว์ก็เข้าใจพูดได้เท่าอาจารย์เข้าใจเท่าอาจารย์ในเรื่องนั้นนั้นฉลาดเท่าอาจารย์ก็เลยรู้เลยว่าคำพูดนี้มีข้อปฏิบัติแฝงอยู่ข้างในก็เลยถามถึงวิธีปฏิบัติที่จะเจริญอย่างนั้นพระโพธิสัตว์ก็ทาอยู่สองสามวันก็ชนานาญใน อากินจัญญายตนะก็เล่าให้อาจารย์ฟังอาจารย์ก็บอกว่าเป็นลาภของเราเราได้ดีแล้วที่ได้เพื่อนสะพรมจารีเช่นท่านเพียงก็ขอให้อยู่ด้วยกันนี่แหละช่วยกันบริหารหมู่คณะก็ยกย่องลูกศิษย์เ ย, ยกย่องลูกศิษย์เสมอกันกับตนแต่งตั้งไว้ตำแหน่งสูงมันมีใครเอาเครื่องสการะมาถวายก็ยกให้พระโพธิสัตว์ก่อนแล้วก็ที่เหลือตัวเองก็บริโภคเคารพอย่างยิ่งขนาดนั้นซึ่งพระโพธิสัตว์ก็บอกว่า สมาบัติทั้งหมดนี้ไม่ได้เป็นไปเพื่อดับชาติชรามรณะดับโสกกะปริเทวะอะไรได้เลยที่แท้เป็นเพียงเพื่ออากินจัญญายาตนะพมันไม่ใช่สิ่งที่พระองค์ต้องการพระองค์ก็เลยเบื่อนายจะทำวิไนนั้นเพราะทมวิไนนั้น ธรรมวินัยและที่คำสอนของอาลาและดาบอุทกะดาบดนั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายเพื่อคลายกําหนัดเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อพระนิพพานซึ่งสิ่งที่พระองค์แสวงหาก็คือพระนิพพานเป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายในวัตฏะคลายกําหนัดในวัฏฏะดับดับกิเลสดับตัณหาดับวัตฏะโดยประการทั้งปวงมันก็ไปหาอาจารย์อีกขั้นหนึ่งก็ไปหาอุทกะดาบดรามบุตร ไปก็เหมือนการเพียงแต่ว่าได้สมาบัตรระดับสูงขึ้นไปอีกอนะแปลว่าต่ออายุในวัฏฏะอีก 20,000 ปีไอสองหมืปีเนี่ยนะเพราะอายุเนวะ อ, อากินจัญญายตนาอายุห0 0 0ืกับใช่ไหมท่านเนวะสัญญาก็ได้อายุอีกเท่าไหร่แปดหมกับแล้ต่ออายุอีก 24,000 กับซึ่งไม่ต้องการเนี่ยนะก็เลยนี่เพราะว่าเห็นว่ารมเหล่านี้เป็นไปในวัฏฏะเท่านั้นไม่ใช่สิ่งที่ปรารถนา เพราะพระองค์ปรารถนาทำที่ดับชาติชรามรณะดับพยาธิดับโสกดับดับความเศร้าหมองทำไงก็ไปสแสวงหาทางเอาเองเพราะว่าในอาจารย์ในยุคนั้นมันก็มีเท่านั้นแหล ะ, ะความเป็นไปในวัฏฏะก็มีอยู่เท่านั้นจริงๆซึ่งไม่เกินกเนวะสัญญานาสัญญายตนะเนี่ยนะความเป็นไปในโลกมันก็มีอยู่เท่านั้นซึ่งพระองค์ต้องการสิ่งที่เรียกว่าโลกุตระ ทำเป็นที่โลกิยะก็คือสิ่งที่เกลือกกลั้วไปด้วยความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี้แหละเรียกว่าโลกิยะเพราะเกลือนกล้วไปด้วยชาติชรามราณะพระองค์ไม่ต้องการพระองค์เห็นโทษของสิ่งที่มีความเกิดแก่เจ็บตายพระองค์ต้องการตรัสรู้ธรรมที่ดับความเกิดดับความแก่ดับความเจ็บและดับความตายเนี่ยนะก็เลยไปแสวงหาเองไปปฏิบัติเองทำทุกขกิริยาลองผิดลองถูกแยกแยะจำแนกความผิดความถูกด้วย พระองค์เองเรียกว่าคลี่คลายปัญหาในวัตฏะด้วยลำพังพระองค์เองมันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเอกเพราะคลี่คลายสแสวงหาข้อปฏิบัติโดยลำพังพระองค์เองว่าข้อปฏิบัติเล่าไหนบ้างหนอที่จะทําให้เป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกําหนัดจากวัตฏะแล้วก็ไปลองผิดลองถูกแล้วก็เอาแทบตายเลยแทบจะเอาชีวิตไม่รอดว่างั้นแต่จริงๆก็พระองค์ก็ไม่ได้เข้าใจผิดอะไรเพียงแต่ว่ารีบเร่งเร่งรีบไปหน่อย ตอนหลังก็มาบริโภคปัจจัย4ตามสมควรแล้วก็เจริญสมถะและวิปัสสนาเคียงคู่กันไปตามแนวทเวทาวิตกั ก, กตรเป็นต้นเนี่ยนะปฏิบัติตามมัชิมาปฏิปทานในที่สุดก็ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็เพราะตรัสรู้ธรรมเป็นที่ดับอะไรดับชาติชาราและมรณะได้พระพระองค์ก็เลยบอกบอกพิสูจน์ทั้งหลายว่า พระองค์ <c oughs> นั้นตัวเองเป็นผู้ที่มีความเกิดด้วยตนเองเป็นธรรมดารู้ชัดในสิ่งที่มีรู้ชัดโทษในสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาแล้วก็แสวงหาจนได้บรรลุพระนิพพานที่ไม่เกิดที่ไม่มีธรรมอื่นใดจะยิ่งกว่าพระนิพพานนี้อีกแล้วเพราะพระนิพพานนี้เป็นที่กเกษมแล้วก็ปลอดภัยโดยประการ Thema. ทั้งปวง leme. นั่นหละหลังจากการตรัสรูน้นี่พระองค์ก็รู้แล้วว่าพระองค์ตรัสรู้อะไรพระองค์ต้องการอะไรน่นะ แล้วธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้นั้นก็เป็นธรรมะที่ละเอียดสุขุมลุ่มลึกลึกซึ้งก็ไม่น้อมไปเพื่อแสดงธรรม น, นะซึ่งพรมก็มาอาราธนาให้พระองค์แสดงธรรมก็รู้ว่าผู้ที่เข้าปรารถนาตรัสรู้ธรรมเป็นที่พ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายพ้นจากความเศร้าโศกยังมีอยู่นะเช่น กล่มพระปัญจวัคคีย์เป็นต้นผู้ที่เข้าสร้างสมบูรณ์วาสนามาจากพระพุทธเจ้าพระองค์ ก, ก่อนๆในอดีตผู้ที่สร้างบุญมาดีเขาเหล่านั้นก็ปรารถนาะตรัสรู้พระนิพพานเป็นที่ดับความเกิดเขาก็ปรารถนาะตรัสรู้พระนิพพานที่ดับความแก่ดับความเศร้าโศกดับความ สังกเกตความเศร้าหมองทั้งปวงเขาทําบุญเขาก็ตั้งความปรารถนากันอย่างนั้นถ้าหากว่าพระองค์ไม่เปิดโอกาสที่จะสอนธรรมเขาไม่สงเคราะห์เขาเขาจะได้ตรัสรู้ธรรมเป็นที่ดับความเกิดหรือเขาจะได้เห็นพระนิพพานเป็นที่ดับความเกิดดับความแก่ดับความเจ็บป่วยดับความตายเป็นต้นไปได้หรือนั้นพระองค์ก็เลยรับอาราธนาของเท้ามหาพรหมเพื่อที่จะแสดงธรรมบุคคลแกรกที่เป็นการวางพระธรรมเทศนา เป็นอุปนิสัยต่อไปที่จะได้ตรัสรู้ถามพระองค์ก็สอนอุปการชีว ก, ก่เนี่ยนะแต่ก็เป็นการเรียกว่าไม่ใช่เป็นการสอนแบบเป็นทางการแต่ก็เป็นลักษณะการบอกเล่าเพียงเล็กน้อยเนี่ยพอให้รู้แนวทางว่าไปอย่างไรซึ่งวันหลังเขาก็กลับใจได้มาศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามคําที่พระพุทธเจ้าสอนบรรลุเป็นพระอนาคามีปรินิพพานในสวรรค์ในสุทาวาสพรหมชั้นอวิหารเนี่ยนะ ทีนี้พูดถึงพระองค์ก็เสด็จจาริกดำเนินผู้ท่าดำเนินไปที่เมืองพารณาสีเพื่อจะโปรดพระปัญจวัคคีย์ในข้อ326หน้า424กล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจาริกไปโดยลำดับไปจนถึงป่าอิสิปตนมรุกขายวันกรุงพารณาสีแล้วเข้าไปหาภิกษุปัญจวัคคีย์ ย้อนนิดหนึ่งว่าป่าอิสิปตนามรุกทายวันเนี่ยนะที่เมืองพาราณสีเนี่ยถือว่าเป็นป่าที่มีบทบาทสําคัญตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆในอดีตมาจนถึงพระพุทธเจ้าปัจจุบันและหลังจากพุทธปรินิพานแล้วกเกี่ยวกับเรื่องป่าอิสิปตนามรุกทายวันก็ยังมีรายละเอียดเยอะมากเช่นพระพุทธเจ้าองค์ก่อนพระพุทธเจ้ากัสสปะพระองค์ก็ประสูติที่ป่าอิสิปตนามรุกทายวันเนี่ยนะ แล้วก็พระองค์ก็ประกาศพระธรรมจักที่ป่าอิสิปตนมรุกขายาวันแล้วก็ป่าอิสิปตนมรุกขายาวันก็เป็นวัดในพระพุทธศาสนาสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะพระพุทธเจ้าของเราก็เป็นวัดอีกสมัยว่างเว้นจากพระพุทธเจ้าก็มีพระปเจกพระพุทธเจ้าประทับอาศัยอยู่ที่ป่าอิสิปตนมรุกขายาวันใครที่ฟังเรื่องไปแต่เพียงผู้เดียวดุดหน่อแรกก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องเมืองพารณสีป่าอิสิปตนมรุกขายาวันทั้งนั้นเลยเนี่ยนะ แม้แต่พระโพธิสัตว์ก็สวยราชสมบัติอยู่ในป่า อ, อยู่สวยราชสมบัติอยู่ที่เมืองพารณาณสีก็ยังเกี่ยวข้องกับป่าอิสิปัตนามฤุกทายาวันอีกหลายชาติเนี่ยนะมันพระองค์ก็เกิดอยู่ที่เมืองพารณาณสีเนี่ยหลายพบหลายชาติมันก็ถือว่าเป็นเมืองที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาไม่ใช่น้อยเนยนะเกี่ยวกับคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ก็ยังว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปสิ่งทั้งหลายก็ผันเปลี่ยนไปจากชั่วกลายเป็นดี อ่านคะคมีคนดีมีคนมีบุญไปแสดงก็าศาสนาก็เปิดเผยขึ้นเพราะว่าเมืองพารณสีพุทธาศาสนาหวนย้อนกลับคืนสมัยอนาคาริกธรรมปาละนนะหลังจากที่ท่านอนาคาริกธรรมปาละไปเผยแพร่ตั้งสมาคมมหาโพเนี่ยน ะ, ะมีสมาคมมหาโพก็สร้างวัดตามที่ต่างๆ ต, ตั้งวัดที่พุทธกยาที่ภารณสีเป็นต้นนีนะ นสมาคมนี้ก็มีอิทธิพลสำคัญให้ชาวพูดได้ไปจาริกบูชานมัสการสังเวชนิยสถานแล้วก็ที่สมาคมอันนี้เนี่ยนะเขาสวดธรรมจักทุกเย็นนนสวดธรรมจักทุกวันแล้วก็ทุกเย็นเนี่ยนะประมาณสักห้า6โมงเย็นชาวไทยเราไปก็จะไปฟังพระธรรมจักที่ปาอแต่นี่ที่วัดเนี่ยวัดศรีลังกาก็เปิดเสียงไมโครโฟนนางสนันเืองไปหมดเนี่ยนะ ที่ว่าเมสุตังเอกังสมัยยังเนี่ยนะแล้วก็มีชาวพูทที่มีศรัทธาเลื่อมใสไปสวดพระธรรมจกักรบริเวณแถวทำเมฆาสถูปก็ไม่ใช่น้อยมีอย่างช่วงนี้มีทุกวันนวันละหลายรอบด้วยบางคณะก็ไปช่วงเช้าบางคณะก็ไปช่วงบ่ายช่วงค่ํานีนะแต่ช่วงแดดร้อนๆก็อาจจะไปบ้างนมสาวไปเที่ยวกันด้วยนะก็มีก็เป็นเหมือนกับเป็นสวนสาธารณะนะตรงนั้นพระองค์ก็เสด็จไปถึงถึงป่าอิสิปัตนะมรุกขายวัน รายละเอียดมีต่อไปว่าพวกพิกษุ ป, ปันจวัคีเห็นเราเดินทางมาจากที่ไกลก็ไม่มีการ น, นัดหมายกันว่าท่านพระสมณะโคดมพระองค์นี้เป็นผู้มกักมากเวียคลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นคนมากมากมามากมากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสใน โหตภะแล้วเมื่อก่อนท่านไม่ฉันถ้าตอนนี้ท่านกลับมาฉันเมื่อก่อนท่านไม่ได้บำรุงรักษาร่างกายตอนนี้มาบำรุงรักษาร่างกายอย่างนี้ไม่เรียกว่ามากมากก็เรียกอะไรเนี่ยนะการนั้นสรุปเบ็ดเสร็จวันนี้มากมา ก, มากแล้วก็เมื่อก่อนเคยบำเพ็ญตบะรมทุกกรกิริยาตอนนี้เลิกทําแล้วก็แสดงว่าไม่เพียรแล้วอันนั้นเรียกว่าเลือกเดินทางผิดทิ้งทางถูก นะก็คือถูกในความคิดของเขาอ่ะนะถูกในความคิดของของใครของปัญจวัคคีย์ปัญจวัคคีย์เขาเชื่อว่ามันต้องทอําอุ ก, กรฤษทําทุกขร ก, กิริยาให้มันเฮี้ยมที่สุดเนี่ยนะ่ะตายคาตรงนั้นได้ก็ยิ่งนับถือมา ก, กว่าะงั้นมันเขาเชื่อว่าอย่างนั้นถ้ายิ่งแบบสร้างความเดือดร้อนให้แกตัวเองเท่าใดอะ่ะนั่นแหละใกลบ้บรรลุเข้าไปทุกทีัแต่พอพระพุทธเจ้ากลับมาบริโภคมาฉันอาหาร นัแล้วก็เจริญสมถาวิปัสสนาสีหน้าผ่องใสเป็นต้นบอกนี่ไม่ใช่แล้วเนี่ยนะไม่ใช่แล้วมันต้องอดอยากผอมๆโซ่เนี่ยนะเดินแล้วก็แทบจะล้มลงไป น, นะนั่นแหละนั่นแหละจริงจะประทับใจอย่างนะั้นเขาจะเลื่อมสายแบบนั้นมากก็เลยบอกว่านั่นแหละคนมักมากมาแล้วเนี่ยนะไม่ต้องนับถือหรอกอ่างนะั้นเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไหว้ไม่ต้องยกมือประคองมือให้เมื่อยนะไม่ต้องลุกขึ้นยืนรับนะปกติแล้วสิทธ์ทั้งหลายจะต้องเห็นอาจารย์เดินมาจะต้องลุกขึ้นยืนต้อนรับเนี่ย น, ะ น, นี้เป็นธรรมเนียม แล้วก็เราไม่ต้องไปรีบรับบาตรรับจีวรช่วยจับช่วยหยิบบริหารไม่ต้องปูแต่ว่าเราปูอาสนะวะให้หน่อยเพราะท่านเกิดตระกูลสูงเนี่ยนะถ้าต้องการก็นั่งะ น, นะก็ปูไว้งั้นเน่ยถ้านนั่งก็นั่งไม่นั่งก็ไม่นั่ ง, ไ, ง, ไ, งไปไหนก็ไปเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะถือว่าคนที่ตัวเองไม่เคารพแล้วเนี่ยนะหมดศรัทธาละ จริงนะก็ก็เรียกว่าตอนศรัท ธ, ธาเนี่ ย, ยแทบจะอะไรนะวางไว้เหนือหัวเขา่างนั้นพอหมดศรัท ธ, ธาก็เหมือนกับขยะมูลฝอยอะไรเพราะจะเดินเหยียบมันก็เป็นอย่างนี้เลยเ น, นี่ยนะโลกธรรม ท, ทั้งหลาย